สองส่วนจิตนั้นเป็นทั้งภัยยิ่งทั้งประโยชน์ยอดในโลกพลังงานพีชะจึงแตกต่างจากพลังงานขั้นจิตจินิยามที่ปรุงแต่งกันถึงขั้นวิญญาณและพลังงานขั้นจิตนี้แหละที่มีพลังงานเจตสิกซึ่งมีอาการเรียกว่าเวทนา อันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ความวิปริตผิดเพี้ยนวิปราดเกิดขึ้นอย่างที่คนผู้ไม่มีปัญญาถึงขั้นอริยะที่เป็นโรคุตระจะไม่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆอาการของเวทนานี้เองที่เป็นเหตุให้เกิดเรื่องเกิดนิยายการหลากหลายมากมายนับไม่ถ้วนขึ้นมาในโลก เวทนาที่หมายถึงความรู้สึกหรืออารมณ์นี้แหละเป็นตัวการสําคัญที่เป็นจิตวิปริตผิดเพี้ยนไปจากประมาท ธ, ธาตุ จ, จัจริงโดยประมาทความจริงโดยความหมายสูงสุดผู้มีจิตวิปริตผิดเพี้ยนที่เรียกว่าวิปลาสขั้นประมาทนั้นมีอยู่สประเภทได้แก่สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ท, ทิิวิปลาสผู้สนใจตรวจดูได้ในพระไตปรปิฎกเล่มยี่สิบเอดข้อสี่สิบก้าซึ่งถ้าคนผู้ใดมีความเห็นความเข้าใจหรือมีทิฐิ 1. ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข 3. ในสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตน 4. ในสิ่งที่ไม่งามอสุภะว่างามสุภะหรือแปลให้ชัดขึ้นอีกทีในสิ่งที่ไม่น่าพึงใจอสุภะว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงใจสุภะความเห็นหรือความเข้าใจนั้นก็วิปราสทิฏฐิวิปราส หากคนผู้ใดมีทิฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจลทัทธิวิปริตผิดเพี้ยนไปจากปรมัาสัจจาตามสี่ข้อหลักสำคัญนี้เป็นต้นก็คือผู้นั้นมีความเข้าใจหรือมีความรู้ที่เหมือนชาวปุถุชนที่ยังอวิชชายังยึดโลกียารม ยังไม่เข้าใจความจริงขั้นปรมาทสัจจะอย่างถูกต้องกว่านี้มีความรู้ยังไม่สำ ม, มาทิฐิถือว่ายังมีวิปลาสยังเป็นผู้มีจิตที่เหตุคือทิฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจวิปริตผิดเพีย้ยริปลาสอยู่เพราะยังมีอวิชชาตามปฏิจจสมุ ป, ปบาทที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นิยายของชีวิตจึงมีเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยตามปฏิจจสมุปบาทด้วยอวิชชาอยู่ก็ยังไม่พ้นพบผลชาติชีวิตก็ต้องโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตแม้จะได้รู้สึกว่ามีอารมณ์สุขเวทนาในชีวิตก็ตามก็เป็นแค่สุขเทศสุขครลิกะอยู่เท่านั้น อันคืออุปาทานของโลกดังนั้นเมื่อทิฏฐิวิปลาดทิฏฐิก็คือส่วนหนึ่งของจิตจิตจึงต้องเป็นจิตวิปลาดอยู่แน่ดังนั้นทุกปัจจุบันในชีวิตสัญญาก็กาหนดหมายสัญญาอะไรต่ออะไรวิปริตผิดเพี้ยนไปตามทิฏฐิตามจิตที่วิปลาดนั้นอยู่ตลอดไปเท่าที่ยังไม่ได้แก้ไขวิปราดสาม พลังงานที่จิตยังมีวิปลาดนี้เองจึงก่อเหตุนิทานสมุทัยปัดใจอยู่ในโลกเพราะความวิปลาดแท้จิตที่ยังไม่บริสุทธิ์จากวิปลาดสามอยู่ตราบใดจึงยังมีภัยและเป็นภยัยเป็นโทษต่อตนต่อสังคมโลกหนักหนาสาหัสอยู่ตลอดนิรันดร เท่าที่ยังไม่พ้นอวิชชา